โดยกันหมดเลนะแม่ชีทั้งหมกี่คนค10คนกค <10. S 1> ่ะ10คนที่อยู่ที่ปฏิบัติย่เดีวยวกออ็ค่ะแล้วก็มีตารางของการปฏิบัติแล้วใช่ไหมกนตั้งแต่กี่โมงตื่กี่โมงตีห้าตีห้าแต่ว่าระหว่างนั้นให้นัมาธอยู่ที่กรุไถาอ ะ, อะ จะเตือนกี่โมงก็แล้วแต่น ะ, ะ, ะที่ห้าก็มารวมกันมาไหว้พระ ส, สดมนนั่งสมาธิต่ อ, อถึงกี่โ ม, มงของวัดช้าจนถึงหกโมงครึ่งก็พอนั่งสมาธิสดมันนิดนึงหลังจากนั้นก็พักแล้วก็ไปทําอาหารไงนะแล้วก็บางส่วนถ้าจัเยอะมากก็เพื่อทาความสะอาดกระถางที่เจ้าค่ะ หลังจากนั้นก็ทานแปดโมงถึงเก้าโมงเจ้าค่ะจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติเดินจงกรมถึงชั่วโมงหรือว่าแล้วแต่ถ้าบุคคลเขาเดินมากไม่ได้ก็ให้เขาจับแจงเอาเองว่าอาจจะเป็นเดินจกรมสลับกับนั่งสมาธิจ้าค่ะจนถึงเที่ยงจ้าค่ะแล้วก็ให้พักหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มบ่ายโมงก็ปฏิบัติเหมนเดิมเจ้าค่ะไปาสองฟังธรรมที่สาราเจค่ะบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเจ้าค่ะ ไม่ได้ฟังธรรมนิสาเราก็จะมาที่แล้วก็สี่โมงเย็นสิบห้าโมงก็ชพื่อจะทําุศลไปถามที่แล้วก็ธุรกิจส่วนตัวของเร า, านั้นก็ห้าโมงเย็นก็วัดดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติที่งี่สองทุ่มก็ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ปฏิบัติที่บุดไผจุดนั้นเหมือนเดิมทให้มีตารางจะได้รู้ว่าต้องทําอะไรบ้าง แต่ถึงมีถึงแม้จะมีตารางถึงแม้จะมีการเดินการนั่งการไหว้พระสวดมนต์มันก็ยังไม่แน่ว่าเรากําลังปฏิบัติอยู่หรือเปล่าเราจะรู้ว่าเราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินี่เราดูตรงไหนรู้ไหมเราไม่ได้ดูตรงที่เราเดินยองกลมเราไหว้พระสวดมนต์เลยนั่งสมาธิ เพราะว่าเราสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิโดยไม่ปฏิบัติก็ได้เพราะตัวที่ปฏิบัติคือตัวใจและตัวที่จะทําให้ใจปฏิบัติก็คือสติงั้นอย่าอย่าไปหลงคิดว่าเรากําลังสวดมนต์กำลังไหว้พร ะ, ะกาลังเดินจงกรมนี่เรากําลังปฏิบัติเพราะว่า บางทีเราเดินไปเราก็คิดเรืยเปื่อยสวดมนต์เราก็ไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์สวดไปคิดไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าได้ปฏิบัติถ้าจะได้ปฏิบัตินี่มันต้องมีสติควบคุมความคิดตลอดเวลาถ้าเรามีสติถึงแม้เราจะนั่งเฉยเฉยไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่ได้นั่งหลับตาหรือถึงแม้เราไม่ได้เดินจงกรมแต่เรากำลังทำงานอยู่กำลังกวาดถูทำความสะอาดกำลังทำกับข้าวกับปลาซักผ้าอาบ น, าน้ำสามารถทำให้มันเป็นการปฏิบัติได้ไหมดเพราะการปฏิบัติก็คือการเจริญสติ การสร้างสติฝึกสติเพราะสตินี้จะเป็นธรรมที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาจะธรรมที่จะทําให้จิตสงบดังนั้นเวลาเราไหวาพ้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธินี้เราต้องทําด้วยสติถึงจะเรียกว่าเรากําลังปฏิบัติถ้าเราทําด้วยใจที่ลอยไปลอยมาไม่ได้อยู่กับ ร่องกับรอยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นการปฏิบัติปฏิบัติเพียงแต่ร่างคือมีกิริยาของการปฏิบัติคือมีการสวดมนต์กันไปมีการนั่งสมาธิมีการเดินจงกรมแต่ใจไปคิดกังวลกับคนนั่นคนนี้กับเรื่องนั่นเรื่องนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้ผลไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติไปโยมันตายก็ไม่มีผลนั่งสมาธิใจก็จะไม่มีวันสงบได้ดังนนี้นต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องความเห็นให้ถูกต้องว่าการปฏิบัติก็คือการสร้างสติจเจริญสติดังนั้นแต่ กิจกรรมต่างๆที่ให้ทํานี้ก็เป็นอุบายที่จะทําให้เราสร้างสติเป็นไปมาแต่ถ้าเราแทนที่จะไปสร้างสติเรากลับไป <c oughs> ไปคิดเรื่องอื่นแทนในขณะที่เราทํากิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําให้เราได้ปฏิบัติได้ผลยังต้อง คอยดูใจเราว่าตอนนี้ใจเรามีอะไรควบคุมอยู่มีสติควบคุมใจหรือเปล่าเช่นตอนเนี้ยถ้าจะให้ใจปฏิบัติใจก็ต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรต้องให้มีสติอยู่กับการฟังอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันอยู่กับการรับฟังเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเพราะการฟังธรรมนี้ก็เป็นการทำใจให้สงบได้อย่างอย่างหนึ่งระดับหนึ่งหรือทำให้เกิดปัญญาได้ในระดับหนึ่ง ถ้าฟังด้วยสติแต่การจะฟังด้วยสติได้นี่ต้องกายก็ต้องสงบก่อนวาจาก็ต้องสงบกายวาจาสงบนี้เรียกว่าศีลใจสงบใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจตั้งมั่นอยู่กับการฟังก็เรียกว่าสมาธิแต่เป็นสมาธิขั้นหยาบ คือยังไม่เป็นสมาธิขั้นสงบนิ่งรวมแต่เป็นขั้นที่ไม่ลอยไปลอยมาไม่ส่งใจไปอดีตไม่ไปอนาคตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเสียงธรรมการฟังธรรมก็ฟังได้สองแบบเวลาฟังเราก็คิดตามคำสิ่งที่ทมกำลังแสดงอยู่ว่าเพื่อเกิดความเข้าใจ ถ้าเราคิดตา่างอ๋อเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าวิธีที่จะดูว่าเราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินี้ไม่ได้ดูที่ตรงว่าเราไหว้พระสวดมนต์หรือเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือไม่แต่ดูที่ว่าเรามีสติควบคุมใจเราในขณะที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับกิจกรรมเหล่านี้มัวแต่ห่วงลูกห่วงสามีห่วงบ้าน ห่วงเงินทองห่วงอนาคตห่วงอะไรไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติเป็นกิริยาของการปฏิบัติมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิแต่ใจนี่วุ่นป่วนไปหมดไม่สงบงน้นแต่นี่คือปัญญาถ้าเราฟังแล้วเราตั้งใจ คิดตามเราก็จะได้ปัญญาต่อไปเราจะได้คอยสังเกตดูตัวเราว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่หรือเปล่าบางคนมาบ่นว่านั่งสมาธิเดินจงกรมมาไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรเล ย, เลยก็เพราะว่าทำแต่กิริยาไม่ได้ทำที่ตัวตัวตัวจิตตัวจิตนี้ไม่ได้ควบคุมเหมือนเดิมเหมือนกับเวลาไม่ได้นั่งเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้เดินจงกรม ปล่อยให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยอยากจะคิดเรื่องอะไรก็คิดไปอยากจะได้อะไรก็ปล่อยให้มันอยากไปแล้วก็ปล่อยให้ไปทำตามความอยากต่างๆอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการปฏิบัตินี่คือการฟังธรรมฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้ฟังกัน ความรู้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับนี่ฟังเด้วยฟังเพื่อให้เกิดปัญญาต้องฟังแล้วต้องเข้าใจแต่ฟังเพื่อให้เกิดความสงบเกิดสมาธินี้ไม่ต้องเข้าใจก็ได้บางทีเรื่องนี้เรื่องสติเรื่องปัญญานี่เราฟังแล้วเรายัางไม่เข้าใจเพราะว่าเรายัาง ไม่ได้ศึกษาลึกพอไม่เข้าใจคำว่าสติไม่เข้าใจคำว่าปัญญาเป็นอย่างไรพอฟังแล้วก็งงถ้างงก็ฟังไปเรื่อยอย่าไม่ต้องคิดตามก็ได้ให้ใจเกาะอยู่กับเสียงที่กาลังฟังอยู่ตอนนี้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียงธรรมนี้ก็จะเป็นเหมือนฟุทโธเป็นเหมือนการสวดมนต์สำหรับเรา เราก็เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปโดยที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ใจลอยไปที่อื่นอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้ให้ฟังเสียงไปเรื่อยๆถ้าฟังเสียงไปเรื่อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นใจก็จะสงบแต่ก็ไม่ได้สงบแบบนั่งสมาธิแบบรวมแต่สงบแบบไม่ฟุ้งซ่าน ใจก็จะเย็นจะสบายนี่คือการฟังธรรมจะได้ผลสองแบบได้ปัญญาได้ความเข้าอกเข้าใจหรือได้ความสงบถ้าจะฟังแบบได้บรรลุธรรมก็ฟังได้เหมือนกันแต่ใจต้องมีสมาธิแล้วได้อัปปนาสมาธิแล้วพอฟังธรรมระดับวิปัสสนา ฟังเรื่องตายรักเรื่องอริยสาศาศัจสีก็จะบรรลุทํามได้เลยในขณะที่ฟังอันนี้ก็อกระดับหนึ่งระดับจิตของผู้ฟังต้องมีสมาธิแล้วคือเวลานั่งสมาธินี้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขตตารมเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยพอจิตเป็นอุเบกขามาฟังเทศฟังธรรม ฟังเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมากฟังแล้วเข้าใจก็บรรลุธรําได้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีมีพระปัญจวัคคีนี้เขามีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลาเขาเข้าฌานได้แล้วเขามีอัปปนาสมาธิแล้ว พอเวลาเขาฟังนี่ใจเขานิ่งใจไม่คิดอะไรเลยฟังแล้วคิดแต่เรื่องธรรมที่พระเจ้าทรงอธิบายให้ฟังว่าทุกเกิดจากความอยากเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็ทุกข์แต่พอมองความจริงว่าร่างกายนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียงเพราะอะไร พรามันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเราห้ามมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าถ้าสั่งมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราเราถ้าอยากไปให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันสุขหรือมันทุกข์ถ้าถ้ามันถ้า ถ้าอยากแล้วมันทุกข์ก็อย่าไปอยากมันสิปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายเพราะจะปล่อยไม่ปล่อยมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีเราไปยุ่งกับมันเองเราไปอยากกับมันเองอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากนี่เท่านั้นเองหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายด้วยการยอมรับความจริงมา เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาสิ่งใดทำอันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับไปอยากให้มันไม่ดับก็จะทุกข์ไปเปล่าๆก็เลยหยุดความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็บรรลุทางขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากแล้วก็การดับความทุกข์ก็เกิดจากการเห็นความจริงเห็นกายรักเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นร่างกายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วก็เลยไม่ไปยุ่งกับมันพอไปยุ่งกับมันไม่ได้มันไม่ยอมฟังเราบอกให้มันไม่แก่ได้ไหมบอกให้มันไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมแต่เรา ไม่ต้งทุกข์กับมันก็ดูร่างกายของคนอื่นเราไม่ไปทำไมเราไม่ไปทุกข์กับร่างกายของคนอื่นเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าคนอื่นแล้วถ้าเป็นคนที่เราอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราทุกข์ไหมทุกข์เสียพ่อแม่เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเราเราก็ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรืเราพอาตายเราก็เราก็ทุกข์ทั้งท้งที่ ไม่ใช่ตัวเราทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราก็ยังไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทุกข์แต่คนที่เราไม่รู้จักนี่เราทุกข์ไหมเพราะเราไม่ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละคือปัญญาถ้าฟังแล้วพิจารณาได้เข้าใจก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ พ่าเราไปยึดไปติดไปอยากให้สิ่งที่เรายึดติดนี้อยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอดซึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดเรามาตัวเปล่าๆ เ, เราคือดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจพอออกจากร่างกายอันเก่าก็เลยเรียกว่าดวงวิญญาณแล้วก็มาได้ร่างกายอันใหม่ พอได้ร่างกายอันใหม่นี้ก็มายึดมาติดกับร่างกายอันใหม่นี้ว่าเป็นตัวเราของเราก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันแก่มันเจ็บมันตายก็ทุกข์กักกนตอนนี้เราไม่ต้องทุกข์กับมันแล้วเพราะเรามีพระพุทธเจ้ามาส่งค้นพบความจริงแล้วว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราอยากให้ร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเรา อยากให้ร่างกายที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมเลยว่าอัญญาณโกนทยะก่อนที่ฟังธรรมนี้ยังทุกข์กับร่างกายอยู่ยังยังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่แต่พอพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจ ส, สี่ทรงแสดงตายรัก ให้ฟังว่าร่างกายนี้เป็นอนรักตาเป็นอนิจจังแล้วก็ทรงแสดงว่าใจทุกข์เพราะมีความอยากเพราะไม่เห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงพอเห็นปั๊บมันก็ไม่ทุกข์ละร่างกายจะตายก็ตายไปห้ามมันไม่ได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเขาตายไปเราห้ามไม่ได้แต่เราไม่ไปทุกข์กับเขาเลย เพราะเราไม่มีความอยากที่จะไปให้เขาไม่ตายเราก็ต้องทำร่างกายนี้เป็นเหมือนกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเหมือนกันทุกอย่างมีอาการ32เหมือนกันมาทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีใครห้ามได้เพราะฉนั้นถ้าเราไม่ทูกกับร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องไม่ทูกกับร่างกายที่เรา ก็เป็นของเรานี่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราทำใจได้หยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิมีเดกขาตอนนี้เรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแต่เรายังหยุดความอยากไม่ให้มันเที่ยงไม่ได้อยากอยากให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่ได้ เพราะเราไม่มีกำลังที่จะหยุดกำลังหยุดก็คือสมาธิอุเบกขาจิตจะหยุดได้ก็ต้องอาศัยสติจิตจะเป็นอุเบกขาได้จะเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสตินั้นการปฏิบัติทั้งหมดนี้จึงพุ่งเป้ามาที่ตัวสติในตัวเดียวสตินี้พุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมที่สาคัญที่สุด ถ้าเปรียบเทียบกับรอยเท้าสัตว์ในป่านี่ก็เป็นรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดไม่มีสัตว์ชนิดใดที่จะมีรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าช้างฉันใดไม่มีธรรมอันใดที่จะมาใหญ่เท่ากับสติถ้าไม่มีสติแล้วทำอย่างอื่นก็เกิดไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ ปัญญาก็เกิดไม่ได้วิมุติวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ต้องมีสติเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าถ้ายังไม่มีหัวหน้าไปทําศึกก็เดี๋ยวแพ้เขาใช่ไหมนองไปแบบไม่มีหัวหน้าเดี๋ยวพอข้าศึกมาก็ต่างคนต่างวิ่งกันละแต่ถ้ามีหัวหน้าสั่งเฮ้ยลุยไว้ยเอใครถอยถูกเยิงตาย มันก็ต้องสู้อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ชนะได้ถ้าเราไม่มีหัวหน้าเดี๋ยวก็แตกกระจายองค์กรต่างๆนี้ต้องมีหัวหน้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวต่างคนต่างทำอะไรกันเองไม่มีความสามัคคีกันเดี๋ยวก็ล่มสลายองค์กรต่างๆนี้ต้องมีหัวหน้าเป็นผู้นำถึงจะทำอะไรสําเร็จได้ ขนาวงดนตรีเขายังต้องมีผู้นําเลยผู้กํากับวงภา พ, พยนตร์นี้เขายังมีผู้กํากับสร้างภา พ, พยนตร์ต้องมีคนคอยสั่งเป็นหัวหน้าที่จะคอยกําชักให้ลูกน้องทําหน้าที่ต่างๆถ้ามีสติก็จะสั่งให้จิตสงบเป็นสมาธิเสร็จแล้วก็สั่งให้จิตจเจริญปัญญาให้คิดไปในทางใจรักคิดไปในทางอริยสัจ ส, สี่ พอมีสติสั่งสมาธิก็เกิดขึ้นพอมีสติสั่งปัญญาก็เกิดขึ้นพอมีสติสั่งให้ปัญญาทางานปัญญาก็ฆ่ากิเลสฆ่าความอยากมพอกฆ่าความอยากมันม ก, นกว็วิมุตติก็วิมุตติก็เกิดขึ้นมาหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นเป็นขั้นขั้นไปขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคมง ขั้นอนาคามขั้นอาาเพราะมีกิเลสที่จะต้องฆ่าเป็นขั้นๆกิเลสสิบตัวเรียกว่าสังโยชน์ขั้นพระโสดาบันก็ฆ่าสตัวฆ่ า, า, าสักกายะทิฏฐิความหลงผิดคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นก่าสร ก, กายะทิฏฐิอแล้วก็ฆ่าศีลพัตณาปรมากฆ่าวิจิตกิจฉาความหง คามสงสัยลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงผู้ที่มีสติมีปัญญาผู้ที่ละส ก, กายาทิฏฐิได้ก็จะเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นอนิจจังเห็นว่าทุกเกิดจากตัญหาความอยากเห็นอริยสัจสี่ถึงจะบรรลุธรรมได้ต้องเห็นอริยสัจสี่ เราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะละศีละพัฒปารมาคือการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อดับความทุกข์นั่นไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์คนสมัยนี้เวลาทุกข์ใจก็ไปหาหมอดูกันไปให้เขาบอกว่าให้ไปทำพิธีกรรมอะไรไปตัดผมบ้างไปเปลี่ยนชื่อบ้างไป แต่งหน้าทำจมูกบ้างเปลี่ยนโง่แห่งก็เรียกหรือเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนบ้านเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากของตัวเองแต่คนที่รู้แล้วว่าความอยากเกิดความทุกข์เกิดจากความอยากตัวเองก็ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรทุกกับเรื่องอะไรก็ตัดนั่งเฉย ทุ ก, กับเรื่องเงินก็ตัดความอยากได้เงินไปมันก็หายทุกข์ละทุกกับเรื่องงานก็ตัดไปอยากไปอยากได้งานถ้าตกงานก็ยอมตกงานไปมันก็ไม่ทุกข์ละก่อนที่เห็นว่าเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราเพราะไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติเข้าของเงินทองลาบยุทธสารเสริญ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมทั้งนั้นไม่เห็นว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับเกิดแล้วอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันดับพอมันดับก็ทุกข์กันเนคนที่ถูกปลดออกจากราชการคนที่ถูกเลื่อนโยกย้ายเนี่ยทุกข์กันทั้งนั้นก็วิ่งหาหมอดูวิ่งหาอะไรมาทาพิธีสะเดาะเคราะห์ออกานวุ่นไปหมด มันก็ทำให้สบายใจไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็มีเรื่องมาทำให้ไม่สบายใจวิธีแก้ความไม่สบายใจก็ดูว่ากาลังไม่สบายใจกับเรื่องอะไรกาลังอยากอะไรอยู่ก็อยากไปอยากมันเท่านั้นเองหยุดความอยากมันก็หายทุกข์ละคนที่มีดวงตาเห็นธรรมจะรู้เวลาตัวเองไม่สบายใจนี้ไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปทำพิธีกรรมมาหยุดความอยาก สำหรับพระโสดาบันก็หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็หายทุกข์แล้วคนพระสกีดาคามียังอยากมีแฟนอยู่เวลาไม่ได้นอนกับแฟนก็ทุกข์ก็ต้องมองแฟนไห้เห็นว่าเป็นผีเป็นซากศพจะได้ไม่อยากนอนด้วยถ้าถ้าเห็นบางเวเป็นบางเวลาบางเวลาไม่เห็นก็ถือว่าได้บรรลุครึ่งหนึ่งแล้ว ในเป็นสกิรดาคามคือทำให้ความความทุกข์เบาบางลงความทุกข์ที่เกิดจากการเวลาไม่ได้อยู่กับแฟนนี้เบาบางลงแต่อยากจะทำให้ความทุกข์ที่ไม่ได้อยู่กับแฟนนี้หมดไปนี่ต้องเห็นอสุภะของแฟนตลอดเวลาทุกครั้งนึกถึงแฟนก็นึกถึงผีขึ้นมาทันทีนึกถึงซากศพขึ้นมาทีนี้ก็จะไม่ไม่ไม่อยากจะอยู่กับแฟนนะ อลองตักแฟนตายคืนนี้วันนี้ดูจะเก็บแฟนไว้ในบ้านหรือเปล่าแล้ว เ, เวลาแฟนตายเก็บไว้ที่บ้านา่ะออกเก็บไว้สวสดศพแต่เก็บไว้ได้ลงเนี้ยไม่เก็บไว้ในห้องนอนแล้วเนี่ยพราะตอนนั้นตอนนั้นเป็นศพแล้เลนี่ยถ้าเป็นศพแล้วก็ไม่เอาละเนี่ยถ้าเป็นผ้านาคามนีนี่จะเห็นแฟนเป็นศพตลอดเวลา ก็เลยไม่อยากจะมีแฟนอยู่คนเดียวได้เห็นความอยากอยากมีแฟนนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเวลาอยากมีแฟนแล้วไม่ได้อยู่กับแฟนนี่ทุกข์ไหมเหงาหแต่เวลาไม่มีอยากไม่มีความอยากมีแฟนนี่เหงาไ ม, ม่เหงาเฉยๆไม่เดือดร้อน <c oughs> นี่เป็นการละความอยากต่างๆไปเรื่อยๆ มีอยู่สี่ขั้นสามขั้นแรกก็ละเรื่องร่างกายเรื่องความแก่ความเจ็บความตายละเรื่องแฟนเรื่องร่างกายของแฟนไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากได้ไม่ไปอยากมีแฟนก็จะหมดปัญหาไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกลวเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายนี้มาทำหาความสุขให้กับใจ ใจใช้ร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พอเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นทุกข์เป็นอ ส, สุาลก็ไม่อยากจะเสพมันละก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วถ้าเป็นโสดาบันนี่ยังอยากอยู่ยังอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งเพราะครั้งที่เจ็ดมันคงยา มันคงจะรู้ทันละฉลาดแล้วก็กลับมาหาผีกลับมาหาพร mm hmm. าสกิริกาคารามีก็กลับมาครั้งเดียวเพราะเริ่มเห็นผีแล mm ้ว hmm. เห็นผีในแฟนเห็นแฟนเป็นผีแล mm ้ว hmm. ถ้าเป็นพระอนาคามีนี้เห็นตลอดเวลาก็ไม่รู้จะกลับมาหาผีทา mm hmm. ไมเวลาแฟนตายยังส่งไปวัดเลยก็จะกลับมาหาแฟนทาไม <c oughs> ตาเห็นแฟนเป็นผีตลอดเวลาก็จะไม่อยากมีแฟนอยู่คนเดียวดีกว่าในก็ะละละเรื่อง ก, การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าพิจารณาเข้าใจความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายของคนอื่นก็ไม่สวยไม่งามไม่ดูหน่าดูหน่าชม พอดูได้ก็เพราะคอยอาบน้ําอาบท้าคอยหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าเวลาไม่ได้หวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เป็นอยังไงหน้าดูไอไง น, น, นี่คือปัญญาที่จะทําให้ใจเห็นแล้วเบื่อไม่อยากได้ละความอยากได้พอละความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไป ถ้าข้ามต่อไปก็ไปละความอยากในใจใจที่หลุดพานร่างกายไปก็ไปติดความสุขในจิตไปติดความสุขในสมาธิความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีเกิดมีดับก็ต้องละเหมือนกับละร่างกายเพราะถ้าไปติดกับความสุขของความสงบเวลามันไม่สงบ ก, ก็ทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปติดมันเหมือนกันเราไม่ไปติดกับร่างกายร่างกายแก่หรือไม่แก่เจ็บหรือไม่เจ็บตายหรือไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปยึดไปติดมันเราก็เหมือนกันกับความสงบก็เหมือนกันความสงบในจิตนี้ก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับร่างกายก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันนึก รู้สึกนึกคิดว่าตัวเราเป็นเรายังมีตัวตนอยู่นี่ก็ไม่ใช่ก็เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดดับเกิดดับเวลาไม่คิดตัวตนก็หายไปเวลาคิดตัวตนก็กลับมามันก็รู้ว่ามันเป็นเพียงความคิดก็ปล่อยวางสังขารอย่าไปคิดอย่าไปยึดติดกับความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราของเรา ไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรามีแต่ตัวรู้ที่เป็นตัวเราของเรารู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้อันนี้ก็จะเป็นการหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปพอไม่มีความอยากแล้วก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาทำให้ใจทุกข์แล้วใจก็สุขจริงๆสุขไปตลอดเป็นบรล ม, มาสุข นิพพานังบาลังสุขขังนิพพานเป็นมาลมมาสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานคือใจที่ได้ละชำระความอยากทั้งหมดให้หมดไปจากใจแล้วในกวานิพพานบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์เพราะไม่มีความโลภกดลงไม่มีความอยากที่เป็นตัวสกรปรกที่ทาให้ใจไม่สะอาดเหมือนเสื้อผ้าที่เราเอาไปซัก าารักชนชาแล้วเสื้อผ้าก็น่าใสน่าสวมใสเสื้อผ้าสกรปรกนี่น่าสวมใสไหมทรงกลิ่นเหม็นใจที่สกรปรกก็ไม่ไม่สุขอยู่กับใจที่สกรปรกก็ไม่มีความสุขอยู่กับใจที่โลภโกรธหลงอยู่กับใจที่อยากนี่วุ่นวายไหมพอใจไม่พอใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากนี่ใจสงบเย็นสบาย เบา อ, อกเบาใจไม่หนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องอะไรแล้ว <c oughs> นั่นแหะคือใจที่เป็นใจนิพพานสะอาดลอยสุดเหนือนเสื้อภาพลอยสุดแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนคําว่านิบานางบามังสุญญงนี้เป็นความว่างนี้ไม่ได้เป็นความศูนย์สุญญ์นี้แปลว่าว่างว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสตัณหา ว่างจากการเวียนไหวาตายเกิดความหมายของท่านถ้าว่างอย่างนี้แต่เราเราไปแปลศูนย่างว่าศูนย์ศูนย์ได้ไงภาพที่เราไปซักพอมันสะาดแล้วมันศูนย์ไปหรือเปล่ามันศูนย์แต่ความสกปรกใช่ไหมใจเรานี่ที่เรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกําลังมาซักใจกันพอซักสะอาดแล้วอะไรศูนย์ใจศูนย์หรือว่ากิเลสตั้งหาศูนย์อ่ กิเลสตัณหาสูญราบความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็สูญการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็สูงสูญแบบนี้ไม่ได้สูญแบบจิตหายไปเลยนีนจิตหายไปเลยไปปฏิบัติให้มันเหนื่อยทำไมใช่ไหมมันไม่สูญทำไงก็ไม่สูญจิตนี้ทำไงให้มันไม่ก็ไม่สูญมันไม่มีวันสูญ เอาระเบิดนิวเคลียร์ไปใส่มันมันก็ไม่สูนแล้วกิเลสที่อยู่ในใจมันก็ไม่สูนด้วยเอาเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปใส่มันมันก็ไม่สูนต้องเอาธรรมะนิวเคลียร์ธรรมะไปใส่มันเท่านั้นมันถึงจะสูนเอาศีลสมาธิปัญญาใส่เข้าไปในใจนะั่นแหละเหลวกิเลสตัณหาสูนหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจเหลือแต่ใจที่ไม่มีวันสูน ใ, ใจของพระเจ้าเนี่ยสะอาดมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็ไม่สกปรกอีกต่อไปไม่มีโลภกรหโงอีกต่อไปไม่มีความอยากการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอีกต่อไปไม่มีพพชาติไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ไม่สูญ น, นี่แต่บรารมังสุขขังบรารมังศูญอย่างนี่แหละเป็นใจของพระเจ้า สุขมาแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วจะสุขต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอากาลิโกนี่แหละคือผลที่เกิดจากการเจริญสติยิ่งเวลาเราปฏิบัติกันคอยถามตัวเองว่าเรามีสติหรือเปล่าจิตเราอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่ามีอะไรกํากับจิตหรือเปล่ามีพุทโธรหรือเปล่า หรือมีอะไรเรากำลังเฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดมัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าไม่มีสติแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติมีแต่กิริยาของการปฏิบัติกิริยาของการปฏิบัติไม่สามารถทําให้เกิดธรรมต่างๆขึ้นมาได้ไม่สามารถทําให้เกิดสมาธิไม่สามารถทาให้เกิดปัญญาไม่สามารถทาให้เกิดวิมุตติได้ ต้องเกิดจากสติพอมีสติก็กำกับใจให้สงบได้พอมีความสงบก็กำกับใจให้คิดไปในทางปัญญาได้ให้คิดไปในทางไตรลักษณ์ให้คิดไปในทางอัศภะได้พอคิดก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็จะปล่อยวางจะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากความอยากพอมองไม่เห็นความจริง ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรากลับไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราก็เลยทุกข์ประปานี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติเรามีตารางแล้วแต่ตารางนี้เป็นเพียงตัวกำกับเวลาให้เราบังคับใจให้เราอยู่ในกรอบของการปฏิบัติ แต่ถึงแม้จะอยู่ในกรอบแล้วถ้ายังใจลอยอยู่ยังคิดถึงบ้านอยู่ยังคิดถึงแฟนคิดถึงลูกอยู่คิดถึงสมบัติเข้าวของเงินทองอยู่ก็ต่อให้เดินชงกลมสิบชั่วโมงนั่งสมาธิสิบชั่วโมงใจก็จะไม่มีวันสงบได้จะสงบต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับการงานที่เรากําลังทําอยู่อยากคุยกันบัดนี้มาทํางานร่วมกันอยากคุยกัน ทำเหมือนโกรธกันเกลียดกันมาทํางานแบบไม่ต้องมาทักทายา ถ, ถามถามสาวละทุกข์สุขเดิดกันอันนั้นเรื่องของทางโลกเรื่องของทางธรรมนี่เราไม่ต้องการที่จะมาถามสาวละทุกข์สุขเดือดเรารู้แล้วทุกคนทุกถึงมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องมาถามว่าสุขแล้วไม่สุขทุกทั้งนั้นนะ่ะถึงมามาเพื่อมาดับความทุกข์กั น, นวิธีดับความทุกข์ก็คืออยากคุยกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไป ทำเสร็จก็แยกกันไปทำหน้าที่ส่วนตัวต่อไปแลวรับรองได้ว่าจิตจะเจริญก้าวหน้านั่งสมาธิไม่นานจิตก็จะสงบได้พาจิตสงบก็ดึงให้มันมาคิดทางปัญญาได้ถ้าจิตไม่สงบนิยเกเรนมันไม่ยอมให้ดึงมาคิดทางปัญญามันจะชอบให้ดึงไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ มันจะไม่ให้มาคิดถึงเรื่องตายละ่ะอันนี้จงทุกขังอนัตตาไม่ให้มาคิดถึงเรื่องอสุภะวันนี้คิดถึงเรื่องอสุภะกันหรือยังตั้งแต่เตือนมาเนี่ย <laughs> คิดแต่เรื่องทํากับข้าวถวายพระ <laughs> คิดแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะจิตมันไม่สงบแล้วเราไม่มีความตั้งใจจะดึงมันมาคิดสงบแล้วถ้าไม่ดึงมามาคิดมันก็ไม่คิดเหมือนกัน อย่าไปคิดว่ามีสมาธิแล้วมันจะมาทางปัญญาโดยอัตโนมัติมันไม่มามันเพียงว่าทําให้ง่ายขึ้นเวลามีสมาธิแล้วไม่มีแรงต้านถ้าไม่มีสมาธินี่กิเลสมันจะต้านดึงมาคิดทางทา ง, ทางปัญญานี่คิดได้คำสองคามันก็กลับไปละมันดึงกลับไปแล้ะกิเลสมันจะดึงกลับไปยังนต้องให้ไม่มีสมาต้องให้มีสมาธิก่อนกิเลสมันจะได้ไม่มีแรงที่จะดึงไปทางกิเลส พอเราคิดทางปัญญามันก็จะอยู่กับเรื่องทางปัญญาไปได้นานท <c oughs> ี่ต้องคิดเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมต้องคิดอยู่บ่อยๆเนี่ยทั้งๆที่เราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราต้องจะลืมกันพอไม่คิดถึงมันก็คิดว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็โลกกันใหญ่อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากจะทานี่ทั้งๆที่รู้ว่าเกิดมาล้วต้องแก่เจ็บตายจะลืมอยาก ลืมเลยทำให่อยากได้นู่นอยากได้นี่ลืมไปว่าได้มาเท่าไหร่เดี็กก็ต้องทิ้งมันหมดะเด็กก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นหมดเนี่ยมันหลอกเราแบบเห็นกันชัดชัดรู้กันชัดชัดว่าต้องทิ้งทุกอย่างก็ยังอยากได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราให้ของโยมไปแนละ้วเราหล่อเด็กก่อนจะโยมกลับเอามาคืนเราโยมเยาวไหม <c oughs> เอาไปทําไมฮนะก็เหมือนกันเนี่ยทุกอย่างที่เราได้มาเดี๋ยวก็เก่ า, ขาคืนหมด่ แล่เราไม่คิดอย่างนั้นกันเราคิดว่าได้เลยมาแล้ว เ, เป็นของเราอยู่กับเราเป็นไม่เคยคิดว่าเขาจะเอาคืนไปกันเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีสติทําใจสงบนี้กิเลสมันจะไม่ยอมให้เราคิดอย่างจะไม่ยอมให้เราคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่ ง, งต่างๆมันจะให้กิเลสหลอกให้เราคิดว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วเป็นของเราไปตลอด เราไม่เป็นขึ้นมาร้องหงอยร้องท่ายกันใหญ่เลยถ้ารู้ว่าไม่เป็นของเราก็ไม่ไปเอามาดีกว่าพอเราไม่เอามามันก็ไม่มีอะไรต้องเสียเอาไม่มีอะไรต้องเสียก็ไม่ต้องทุกข์แต่ถ้าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเสียแล้วมันทุกข์เสียใจไหยเราเสียของแล้วต้องมาเสียใจอกีกเพราไม่รู้ว่าจะต้องเสียคิดว่าได้มาแล้วจะเป็นของเราอยานี้ตลอด นั่นแหละเพราะไม่มีปัญญาไม่มีกําลังที่จะคิดปัญญานี่จะเป็นปัญญาต้องคิดเรื่อยๆจนไม่ลืมทุกครั้งที่อยากจะได้อะไรก็รู้ทันทีว่าของชั่วคราวนะั้นเอามาทําไมอยากจะได้แฟนก็รู้ว่าเป็นอสุภะทันทีมันต้องทันกันเหมือนดวลปืนกันเขาชักปืนออกมาความอยากชักออกมาปั๊บแล้วเราก็ทําก็ต้องชักออกมาทันทีไม่เพี่ยงเป็นทุกข์เพราะว่า ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวต้องเสียนะเสียแล้วทุกข์หรือไม่ทุกข์ต้องทันกันไม่ใช่อยากได้อะไรอยากทําอะไรก็ไปทำเนี่ยแล้วก็มาทุกข์ทีหลังถ้าปัญญาทันมันจะไม่เอาอะไรทั้งนั้นมันไม่ต้องมีอะไรใจของเราไม่มีความอยากเพียงอย่างเดียวมันสบายแล้วที่ไม่สบายกันก็เพราะความอยากนี่แหละพออยากได้อะไรแล้วอยู่เป็นสุขไหม อยู่ไม่ได้นะอยู่เฉยๆไม่ได้นะไม่เชื่อลองนั่งเฉยๆสักห้าหกชั่วโมงดูไม่ต้องทำอะไรหรือว่าจับสุกไม่สุกนั่งเฉยๆมันน่าจะสุกนะสบายที่สุดนะเวลาทํางานเราอยากจะได้ตําแหน่งไหมตำแหน่งนั่งโต๊ะหรือตําแหน่งไปกวาดไปถูไปอยากจะได้ตำแหน่งนั่งโต๊ะนั่งเฉยๆแล้วชี้นิ้วมันสบายกว่าใช่ไหมนี่ก็ให้นั่งตาแหน่งเนี้หกชั่วโมงไม่เอาลองนั่งเฉยๆดูสักหกชั่วโมง ชี้นิ้วอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรนั่งเฉยๆแต่กิเลสมันไม่ยอมกิเลสมันชอบใช้เรามันชอบใช้เราไปทํานู่นทนํานี่พอเราไม่ให้มันใช้เรามันก็ทําให้เราเครียดขึ้นมานั่งอยู่เฉยๆก็นั่งทนนั่งก็เครียดขึ้นมาอึดอัดทรมานต้องไปหาอะไรทาถึงจะหายหายเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากอีกขึ้นมา คนที่อยากจะดูว่าความอยากนี้มันร้ายแรงขนาดไหนลองนั่งเฉยๆดูสักหกชั่วโมงเนี่ยนั่งเก้าอี้สบายๆอยางนี้แล้วก็ลองดูซิว่าจะนั่งแล้วมีความสุขไหมถ้าไม่มีความอยากมีความสุขะแต่พอมีความอยากจะลุกไปตรงนู้นอยากจะไปดูนะั่นดูนี่ทุกข์แล้วอยู่ไม่ได้แนละ้วทรมานแะล้วปวดหัดจใจขึ้นมา น, ะนี่แหละความทรมานใจปวดอัดอจใจเกิดจากความอยากของเรา แล้วมันจะตายได้ก็ต้องตายด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยสามตัวนี้จะเป็นเครื่องมือทาลายความอยากต่างๆให้หมดปจากใจได้จึงต้องเริ่มที่สติก่อนสติเป็นตัวเริ่มต้นของธรรมทั้งหลายเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายลมีสติแล้วเดี๋ยวก็จะมีสมาธิมีสมาธิแล้วแล้วก็จะมีปัญญามีปัญญาก็จะมีวิมุติหลุดพ้น นี่เรื่องของการปฏิบัติก็ขอให้เอาไปพิจิตพิจารณาเพื่อจะได้ไม่หลงทางบางคนบอกโอ้ยปฏิบัติมาต้องหลายปีแล้วไม่เห็นไปถึงไหนเลยมันปฏิบัติแต่กิริยาแต่ไม่ได้ปฏิบัติด้วยธรรมด้วยสติใจยังลอยไปลอยมายังคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีสติยังต้องมีสติ ให้ใจยอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปโดยอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายไปแล้วจะมีสติและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบพอออกจากความสงบก็สามารถสั่งให้คิดทางปัญญาได้พอเห็นตายรักเห็นอสุภะก็ตัดกิเลสได้ตัดความอยากได้ตัดกิเลสได้ก็หลุดพ้นได้การได้ปัญญาได้สมาธินี้ยังไม่หลุดพ้น เพราะสมาธิปัญญาสติเป็นเพียงเครื่องมืออันที่จะหลุดพ้นนี้ต้องมาหยุดกิเลสมาฆ่ากิเลส ก, กันฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจบางคนนั่งสมาธิเห็นนูน่นเห็นนี่คิดว่าบรรลุแล้วบรรลุอะไรกิเลสยังเต็มหัวใจอยู่เห็นแล้วต้องเอามาหยุดกิเลสเห็ น, นสุภาพอ เ, เกิดความอยากมีแฟนก็ต้องเอาสุภามาดับมัน ถึงจะบรรลุได้ไม่ใช่เห็นเฉยๆเวลาเกิดกิเลสเกิดกิเลสขึ้นมาไม่เอามาใช้อย่างพวกหมอเนี่ยไปผ่าศพอะไรแต่พอออกจากห้องผ่าศพก็ลืมพอเห็นแฟนก็อยากจะได้แฟนขึ้นมาหมอ ย, ยังแต่งงานกันอยู่ไม่ใช่หรือทั้งที่ผ่าศพเห็นศพอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เอามาฆ่ากิเลสมีปัญญาแต่ไม่เอามาฆ่ากิเลส เวลาเจอกิเลสก็เก็บปัญญาไว้ไม่คิดถึงมันเลยไม่คิดถึงความเหม็นของร่างกายไม่คิดถึงความสกปรกของร่างกายทั้งๆ ท, ที่ผ่าศพทั้งวันนี้กลับไปบ้านก็ไปนอนกับศพอีกศพที่หายใจได้นะเพราะว่ามีปัญญาแต่ไม่เอามาฆ่ากิเลสงั้นอย่าไปคิดว่าเห็นหนู่นเห็นนี่แล้วบรรลุยังไม่บรรลุต้องบรรลุตอนที่เอามาฆ่ากิเลสเวลาโลภ ได้เวลาโกรธ้ามันได้เ ว, ไดเวลาหลงฆ้ามันได้เวลาอยากฆ้ามันได้เมือเถีงยาเรียกว่าบรรลุหรือพ้นเอแล้วนะที่ว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุจินางเปตานาังอุปกา ป, ปติ อิติตังปาติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาีวาทนาสีิทสะนิจังวุธาปชายญโนจตารูธรมมวัทานติอยายุวันโอสุขังภาลัง ไไอ๋อเราไม่มีกตำรวะเราปล่อยให้ใครอยากจะพิมพ์ก็พิมพ์ไปเขา อ, อได้เลยตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับเรื่องการพิมพ์หนังสือและปไว้ยให้คนที่เขาอยากจะพิมพ์เขาพิมพ์กันเองเอติดต่อที่โงพิมเลยาติดต่ อ, ตอก็ลงพิมพ์มีแล้วบาทฐานวิชาปรัชนาแมั้ยของของลุงแซมครับนามหาอ๋อตอนนี้เราไม่รู้ยิ่งหนังสือของคนอื่นเรา ย, ยิ่งไม่รู้ใหญ่แล้วถ้าพิมพ์มาเล่ามาถวายท่านได้ได้ได้เอ มาวางไว้อย่างเนี้ยก็แจกอย่างเงี้ยเนี่กับหนังสือที่ก็าพิมพ์มาแล้วให้มาวางแจกเนี้ยของพวกนี้ก็มีคนศรัทธาก็ทํามาให้แจกอันนี่เราไม่ได้ทําเอง <c oughs> พูดสอนก็เหนื่อยพอแล้วต้องมายุ่งกับเรื่องหนังสือเรื่องอันนี้นไม่ไหวไ <c oughs> หวคนใครอยากจะถ่ายทอดสดก็ปล่อยเขาถ่ายทอดสดเราก็ไม่ได<ม>้ไปบอยเขามาทําเขามาเอง ธรรมะจัดสรรทั้งนั้นที่นี่ถ้าก็ไม่มาก็ไม่มาถ้าธรรมจัดสรรไม่ให้มาเขาก็ไม่มาไม่มาเราก็เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่เสียเหมือนเดิมเราก็ยังต้องมานั่งพูดอย่างนี้เหมือนเดิมมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยววันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาเท่าไหร่ศูนย์สามสามอยยี่สิบสาม่แล้ว ยูทูบสูงสุด41ครับนี3 8ครับชาลานโทนี่เข้ามายังยังแล้วมีใครหมุนเรื่องเสียงไหมยังไม่มีครับเพราะยังดีกลับยังใช้ได้อยู่เลยยังใช้ได้อยู่ครับได้ได้ถามได้เลยว่ได้สองโมงถึงสี่โมงเนี่ยมา ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงได้ช่วงเช้าได้ช่วงเช้าต้องไปที่ศาลาวัดยาแล้วก็ใส่บาตรไปถ้าใส่บาบตรบินธบาตรต้องไปที่บ้านอำเภ อ, อ, อแล้วมาทัมาใส่บาตรที่วัดก็ได้ถวายของที่วัดก็ได้ประมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งช่วงนั้นจะถวายอาหาร อ, อถวายผ้าได้ถวายสังกะสานถวายข้าวของได้ถ้าไม่สะดวกเช้าก็มาตอนบ่าย อ า, อาจารย์บายก็อาหารไม่ได้นะอาาเป็นแต่ข้าวของใดอยู่ของใช้ไม่สอยปัจจัยสี่ทานนี้ที่นี่เขาต้องนั่งรถออกไปที่บ้านอำเภอซึ่งอยู่ที่ริมถนนสุ ข, ขุมวิทจากวัดไปประมาณหกเจ็ดกิโลเพราะแถววัดไม่มีบ้านคนบินระบาดไม่พอฉันก็เลยต้องไปหมู่บ้าน วันยานี่บินทบาทไปตามหมู่บ้านใหญ่ๆไปหลายแห่งไปบ้านอำเภอไปบางสะเลไปสตัตหีบไปกิโลสิบไปช่างแงนวมีแยกไปเป็นสายๆไปที่มาก็ลงไปคนละทาง <c oughs> <c oughs> แม่เคยมาเยแม่่ว <c oughs> ได้จเจ้าคะขอกราบไปเลย ปัญญาอบรมสมาธินาาาะคะได้คเลยคือปัญญาอบรมสมาธิมันต้องอยู่ในกรณีที่จิตมันร้อนมันทุกข์มันภุ่งซ่านแล้วเราก็ไม่รู้ใช้สติควบคุมมันให้มันสงบไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแก้ความพุ้งซ่านความทุกข์วุ่นวายใจเช่นเรากำลังทุกข์กับเรื่องใด เราก็ต้องไปพิจารณาเรื่องนั้นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรามันทําให้เราต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นตามที่เราต้องการหรือไม่มันเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากไปควบคุมบังคับมันเราก็หยุดความอยากนั้น ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจเราก็จะสงบได้แต่จะไม่สงบขั้นอัอปปนาเพียงแต่สงบจากความไม่ฟุง้งซ่านแล้วเราก็จะได้มาพุทโธต่อได้หรือมาดูลมหายใจต่อได้เช่น <Yeah. S 1> เราทุกข์กับสามีเป็นห่วงเขาเขาไม่สบายอยากจะให้เขาหายแต่เราพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเราไปทําให้มันหายได้ไหม เขาจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่ยาอยู่ที่หมอหรืออยู่ที่เวรที่กรรมถ้าเขาจะหายเขาก็หายเองถ้าเขาไม่หายเราอยากยังไงให้เขาหายก็ไม่หายไปวิตกกังวลยังไงก็ไปห้ามเขาไม่ได้เน้นถ้าเรายอมรับความจริงว่าเขาจะหายเขาก็หายเองเขาไม่หายเขาก็ต้องอยู่อย่างนี้ไป เ, เราก็หยุดความอยากความไม่สบายใจได้ เราก็สามารถกลับมาดูลมมาพุทธโธได้อันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิมีใครอยากจะถามไหมพวกที่มาอยู่สวนข้ากราบพอพาจา้าคืนก่อนหนูนอนแล้วหนูก็ภาวนาพุทธโธในระหว่างที่พุทธโธก็น้อมน้อมรถึงพระพุทธองค์ในระหว่างที่น้อม มีความสว่างจากตรงนี้คูหนก็สว่างไปทั้งตัวแต่ว่าหนูตกใจค่ะก่อก็ไม่มีอะไรก็เหมือนดูหนังอดูหนังหนังก็ไปทั้งหน้าหน้าดูหน้ากลัวเอก็ให้รู้ว่าเป็นหนังดูแล้วหนังจบแล้วก็จบไปเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เหมือนเดิมอยู่ยังมีกิเลสตันหาเต็มตัวอยู่เหมือนเดิม ดูอะไรพุทธเจ้าบอกดูแล้วให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดมันผ่านไปแล้วมันเป็นอนดีตแล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันกลับมาอยู่ที่ความเป็นปกติของเราไม่ใช่กลับมาเป็นบ้ากับสิ่งที่เราไปเห็นบางคนนั่งสมาธิหรืมไม่ได้นั่งแล้วไปเห็นอะไรแล้วก็เลยมาทําตัวให้เป็นคนบ้าไปมีคนไปนั่งสมาธิแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้า เลยกลับมาเป็นคนบ้าไปไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ำนะเห็นอะไรมันผ right. like 네 like so ่านไปแล้วเรากลับมาเป็นคนเดิมเข้าใจไหมเราไม่ได้ไปเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นเข้าใจหรือเปล่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าเอามาใช้ดับกิเลสดับดับดับความโลภกดหลงได้ก็เอามาใช้ถ้าดับไม่ได้ก็โยนทิ้งไป อย่าเอามาหลอกตัวเราว่าเราเป็นผู้พิเศษนะ้เราไม่ต้องกินข้าวกินน้าแล้วเข้าใจไหมอ่าอาจารย์ว่าชาครับที่ตอนนั่งสมาธินะครับแล้วก็เห็นว่ากายเราเจ็บจะเห็นว่าใจกับกายมันแยกกันกายมันเจ็บแต่ว่าใจมันก็ไปพูดดูเฉยๆแต่ว่ากายเนี่ยมันเจ็บคําว่าเจ็บของที่ความรู้สึกเนี่ยมันเจ็บที่กายจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นเพราะว่า มมันไไ่ด้เจราเอาค้อนมาให้เราตีหัวคุณดเลยเจ็บไหมเพราะเืยฟังอีกนั่นแล้วผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยครับว่ากายต้องเจ็บจริงจแต่ใจไม่ได้เจ็บไปด้วยส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บไปด้วยเพราะมันไม่อยากเจ็บมันเจ็บด้วยความโกรธด้วยเจ็บด้วยความเสียใจใครมาตีเราเราก็โกรธเขาเสียใจมันเจ็บอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเจ็บเพราะอยากให้มันหายเจ็บ เป็นบาทีเจ็บเพราะโกรธตัวเองโง่ชิบหายเดินไปแตะหินเนี้ยแล้วก็โกอดตัวเองขึ้นมาเจ็บเจ็บกายไม่พอแล้วเจ็บใจด้วยอะไรอย่านี้แต่คนที่มีสติมีปัญญาก็จะหยุดความเจ็บใจได้ก็มึงอยากจะโง่เองต้องเจ็บสองต่อทำไมเจ็บกายก็ฟองต้องมาเจ็บใจทําไมจะมามาโหมโกรธตัวเองทําไมมันก็คนที่มีสติปัญญาก็จะปล่อยให้เพียงเจ็บเพียงทางร่างกาย เพาะความเจ็บทางร่างกายเราไปควบคุมบังคับไม่ได้อยู่อยู่ดีๆไม่สบายเนี่ยจะให้มันหายทันทีไม่หายใช่ไหมแต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราควบคุมบังคับไม่ได้แล้วพอที่จะทําให้มันบรรเทาได้เราก็ทําไปถ้าไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแต่อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะ เจ็บทางใจทรมานทางใจในเวลาของคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดความเจ็บทางใจทางร่างกายแล้วใจมันจะเจ็บไปด้วยเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บที่ร่างกายไม่พอเจ็บที่ใจใจอยากจะลุกอยากจะหนีจากความเจ็บอันนี้แหละเป็นความเจ็บทางใจถ้าเราหยุดความอยากจะหนีจากความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปได้ใจเราจะเย็นแล้วใจจะอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายได้ เราต้องใช้พุโทโธหยุดความอยากในเบื้องต้นง่ายที่สุดพอนั่งเราเจ็บก็รีบพุโทโธพุโทโธไปพอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความทรมานใจขึ้นมาอยากจะลุกอยากจะให้ความเจ็บมันหายไปแต่ถ้าเราอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี้มันจะไม่มีโอกาสสร้างความเจ็บทางใจขึ้นมาแล้วใจก็จะเย็นสบายแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายได้ถ้าอริยะบุคคลนะ ที่พระโสดาบันครับยังมีความกลัวมีความอะไรอย่างนี้อยู่ไหมครับอ๋อกลั ว, ลวเรื่องความกลัวแก่เจ็บตายนี่ไม่มีแล้วอ่เพระาะยอมตายแล้วเลเมื่อยอมตายแล้วจะไปกลัวอะไรที่ที่มันกลัวเพราะไม่ยอมตายกันเพราะยังอยากอยู่กันแต่พระโสดาบันมีปัญญาว่ายังไงก็ต้องตายอยากอยู่ก็อยากอยู่ก็ทำให้กลัวกลัวก็ทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากอ ย, กอยู่ ยอมตายเมื่อถึงเวลาจะต้องตายก็ยอมตายแต่ถ้ายังไม่ไม่ถึงเวลาตายก็ไม่ฆ่าตัวตายแ ต, แต่แต่จะกลัวไหมครับที่รูนว่าถ้าเจอสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างนี้ไม่กลัวหรอกกลั ว, ลวอะไรความกล อ, อเพราะอย่างมากก็แค่ตายแล้วเคยก็ ย, ยอมตายมาแล้วก็ต้องไปพิสูจน์มาก่อนต้องไปเจอความต้องไปเจอสัตว์ร้ายมาก่อนแล้วยอมตายแล้วต่อไปมันก็ยังไม่กลัวครั้งแรกอาจจะกลัว ถ้ากลัวยังกลัวอยู่ยังไม่เป็นโสดาบันีไงอพอหายกลัวแล้วทีนี้ก็เป็นโสดาบันแล้วคือต้องไปผ่านเหตุที่พิสูจน์<ๆ>นั่งคิดเฉยๆมันไม่ได้หรอกยังก็สบายดีบรรลุกันแบบนั่งคิดกัน<ๆ> อ, อึ่งบางคนทักษะอย่างนี้ก็ยังไม่ทราบได้จนกว่าจะเจอสิทธิที่พิสูจน์แล้วผ่านเจ็บความเจ็บก็นั่งผ่านนั่งให้ผ่านทุกเวทนาไปนั่งปล่อยให้เวทนามันเกิดดับของมันเองไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ถ้าเจอความตายก็ปล่อยให้ร่างกายเป็นด้วยตายไปตามเรื่องของมันเองใจไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวปล่อยวางยอมให้มันตายยอมให้มันมันเป็นแล้วแต่การจะพาไปจะพาถึงต้องไปอยู่ในป่า ก, กันในเขางันเปหาที่น่ากลัวกันเพื่อจะได้ดูว่ายัางกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ายัางกลัวอยู่ก็ยังยังไม่มีปัญญายังไม่มีสมาธิ ถ้ามีสมาธิอย่างน้อยมันก็ยังหนีความกลัวด้วยการเข้าไปในสมาธิได้แต่มันก็ยังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญามันไม่หนีมันไม่เข้าในสมาธิมันยอมตายยอมให้ร่างกายตายพอมันยอมแล้วที่จะตายไม่ตายมันก็ไม่มีปัญหาแล้วต่อไปหลังจากนั้นมันจะไม่กลัวตายไปตลอดชีวิตเนะญญถ้าพระโสราบาันยังมีคู่ได้เลย ได้ยก็ยังไม่เห็นคู่เป็น <c oughs> เป็นศพเนียถึงพอเป็นโซดาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมองคู่ว่าเป็นซากศพเนี้ยถ้าเราผือศีลอธรรมาจริยาไปเรื่อยๆตลอดชีวิตไมต่เป็นเวลาสามสี่สิบปีนี่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บวดนะแต่ว่าผือศีลอธรรมจริยานี้จะช่วยไหมก็มันเป็นเหมือนกับเออ่จับมัดมือไว้แต่ถ้าศีลขาดมาหลายมือออกมามาหลายเดียมือก็ไปโซนได้ฮแล้วยังไงถึงจะรู้ ก็ต้องเห็นคู่เป็นซากศพเนี่ยเห็นอสุภะตลอดเวลาเห็นมันจะเห็นกําลังจะไปมีศพเป็นแฟนเนี่ยมีศพเป็นสามีเป็นศพเป็นคู่นอนี่ยถ้ายังไม่เห็นเป็นศพอยู่มันก็ยังเห็นเป็นนางฟ้าเทวดาอยู่มันก็มันก็ยังตัดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตคู่แล้วเราก็ไม่ได้มีความสึกอะไรก็ไม่แน่เดี๋ยวเกิดไปเจอคนที่ถูกใจเข้าเมื่อไหร่มันก็อาจจะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ได้ S 2> <S 2> <S อ, อลองดูเส็จลองไปหาภาพสวยๆงามๆภาพยั่วยุการอารมดูดูสิมันจะเกิดไม่เกิดเพราะของพวกนี้บางทีมันมันหลบซ่อนมันบางทีก็ต้องไปแยมันไปคุ ย, คยไปคุยเขี่ยหามันหลงตาท่านก็สอน บ, บางทีเอมันอยู่ดีๆมันหายไปนี่ไม่ได้แสดงว่ามันหายจริงหรือไม่หายจริงบางทีท่านบอกต้องนึกถึง สิ่งที่ทําให้กระตุ้นการอารมณ์ขึ้นมาดูแล้วดูมันจะโผล่ขึ้นมาไหมท่านึกยังไงมันก็ไม่โผล่อย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้านึกปเปล่ามันยังโผล่อยู่แสดงว่ายัางใช้ไม่ได้คุณผู้หญิงจะต้องไปจินตนาการหรือไปคิดจินตนาการนึกก็ได้คนเราที่เกิดการอารมณ์เพราะนั่ง น, นึกกันใช่ไหมอยู่คนเดียวเดี๋ยวนึกถึงแฟนนึงถึงนู่นนึกถึงนี่เดี๋ยวมันก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมา นึกถึงกิจกรรมทางเพศด้วยแล้วเดี๋ยวเพืราจะเกิดการมารมหรือไมอ่ก็ดีถ้าสยดสยองได้ก็ดีแล้วไม่มีการมารมก็ดีการต้องพิสูจน์ไงเพราะเพี่งแต่คิดอย่างเดียวว่าไม่มีสยดสยองแต่พอไปเห็นกเขียนภาพที่มันไม่สยดสยองขึ้นมามันมันยังสยดสยองอยู่ว่าปะ อย่างตอนที่พทะเจ้านั่งทรงตัดชารุก็มีพญามารส่งส่งอะไรส่งลูกน้องมาเยุะเออมายอะอ่านั่นแหละ ก, ก็แบบเดียวกันน ะ, ะแต่นั่งสมาธิแล้วก็ต้องมันเหลี๋ยมพวกนี้มันจะโผล่มาเองออมาหยามายุแเราดูที่ว่าเราจะหลงไปกับมันหรือเปล่าทางบ้านมีไหม มีครับจาก inbox มีมาสัคำถามแล้วก็จาก o u t u b หนึ่งคำถามบ inbox ของ facebook หรือของของ f a c e b o o ครับของเฟซบุ o กครับคบำถามแรกจาก inbox นะครับจากคุณกุ้งครับเคยเข้าใจว่าผู้ถือสินกินเจเพื่อลดรักลดรัจากการมาลาคะแต่กลับเห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาจิตใจเด็ดเดียวมั่นคงมากเกี่ยวกับการถือสินก็อนุโมทนาอยู่ครั้งแรก แ, รกแต่เดี๋ยวนี้ทาไมรู้สึกหงุดหงิด เมื่ออยู่ใกล้เขารู้สึกว่าเขาทําตัวให้ผู้อื่นอยู่ด้วยแล้วลังบายิ่งเห็นเขาเลิกกับแฟนเก่าแล้วรีดมีแฟนใหม่ไม่ลดละเลยเรื่องรักๆใกล้ๆแสดงว่าการกินเจไม่ใช่เพื่อลดการราคะใช่ไหมเจ้าค่ะก็วัวควายมันกินเจไหมเนี่ยนะแล้วมันยังมีเมียมีผัวอยู่อ่ะครับยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกว่าเขางดการกินเนื้อได้ทําไมเขางดกายสัมผัสกับเพศตรงข้ามไม่ได้ กายนี่ยิ่งพ่อแม่เราให้มาจะทําเช่นไรไม่หงุดหงิดเมื่อทํางานร่วมกับเขาแสดงว่าตัวเองแย่ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วถ้าเราเองพยายามทําตัวออกห่างจากเขาเพราะไม่อยากหงุดหงิดกับเขาเป็นการทํากรรมกับเขาไหมเจ้าค่ะก็ไม่เป็นกรรมหรอกถ้าเราไม่ไปทํำลายเขาไม่ไปทําลายเขามันเป็นกรรมกับเราที่เรายังอยู่กับเขาไม่ได้มากกว่าถ้าเรารู้จักทําใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็อยู่กับเขาได้ เขาดีชั่วมันก็เรื่องของเขาแต่เราก็อยู่กันด้วยการทํางานสมมติเราต้องทํางานร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยเรื่องงานเรื่องการใช่ไหมเรื่องดีชั่วมันก็เรื่องของเขาเขาจะไปมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็จะกินเจไม่กินเจมันก็เรื่องของเขาแต่เราไปเอาเรื่องของเขามาใส่ใจเราแล้วทําให้เราโกรธเกลียดเขาขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกจะอยู่เขาไม่ได้เพราะเราไม่มีอุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะไม่เอาเรื่องดีชั่วของเขาเข้ามา เกี่ยวข้องกับเราก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปนอกจากว่าถ้าอยู่ใกล้กันแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินเราก็ต้องแยกตัวเราออกจากเขาไปแต่ถ้าอยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันได้ส่วนเรื่องส่วนตัวเขาจะไปกินเจจะไม่มีแฟนไม่มีแฟนก็เรื่องของเขาเหมือนกับเรื่องส่วนตัวของเราเขาก็ไม่มายุ่งก็ต่างคนก็ต่างยังอยู่กันได้อยู่ร่วมทางานกันได้มีสองคถามจากคุณพัชพรครับ ก็หนึ่งถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราหลับตาจะมืดสนิดแต่ถ้าปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องหลับตาจะไม่มืดสนิทหลับแล้วเหมือนควันขาวๆอยู่ตลอดลมหายใจบางทีสัมผัสไม่ได้เลยเหมือนลมละเอียดอยู่ในท้องทั้งที่ออกจากสมาธิแล้วลองหลับตาใหม่บางทีก็บางทีจะนอนก็หลับตาแต่ยังเห็นทุกอย่างภายนอกเหมือนยังไม่ได้หลับตาลูกต้องลืมตา ม, มาดูใหม่ก็เห็นฝาห้องเหมือนเดิมเลยถามว่า ทำไมปฏิบัติธรรมแล้วหลับตาไม่มืดสนิทหรือบางทีหลับตานอนก็ยังเห็นเหมือนไม่ได้หลับตาเป็นเพราะอะไรสัญญาใช่ไหมพักคืออย่าไปทำไม่เลยให้รู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วลก็จบอย่าไปสงสัยมันผ่านไปแล้วอันไหนดีก็ทำไปอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำมันแบบไหนไม่ดีก็อย่าไปทำเอาแบบที่ดี แบบทำแล้วมันสงบมันสว่างมันสบายก็เอาแบบนั้นถ้าทำแล้วมันมืดมันมันไม่ดีก็อย่าไปทำมันให้ดูที่ผลอย่าไปถามว่าทำไมทำไมก็เห็นทาไมมันก็ทำไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะไปว่ามันไปรู้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรข้อสองถ้าปฏิบัติทางต่อเนื่อง ลืมตานั่งเดินนั่งยืนเดินจะเห็นแสงกลมบางทีสีเขียวบางทีสีดำบางทีสีขาวตรงหน้าตลอดเดินจงกลมแสงนี้จะนำเท้าไปตลอดการเดินเลยขยี้ตาว่าลูกมีปัญหาด้านสายตาหรือว่าแสงอะไรคะเพราะมีพระ บ, บอกว่าสีเขียวสีแสงสีเขียวเป็นของเทพสีขาวเป็นของเทวดาสี สีดำแสงของสัตวเวสีมาขอรับบุญใช่หรือไม่เจ้าพัอแล้วใครเป็นคนบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นล่ะใครเป็นคนบอกคนนั้นนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรทั้งหน่อยเราไปบอกมันเองเหมืนต้นไม้พวกนี้มันมีชื่อป่ะต้นงิ้วต้นไซต้นอะไรมันมันบอกว่ามันเป็นต้นงิ้วต้นไซต์หรือป่าใครไปบอกอ่ะเราพวกเราไปบอกกันเองอ่ะใช่ไหมเราไปตั้งชื่อไปว่ากันเอง เหมือนดวงดาวไปตั้งชื่อเป็นดวงชื่ออาทิตย์ชื่อพระจันทร์ชื่อพระรหัสแล้วก็ไปว่าเวลามันมาเจอกันจะทําให้เกิดสงครามไปเกิดน้ําท่วมเกิดแผ่นดินไหวมันก็เรื่องของเราไปว่ากันมันท่านั้นเองตัวมันเองมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเท่าหน่อยอาใจไหมเหตุนี้พระเจ้าบอกอย่าไปว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นอเห็นว่ามันสีเขียวว่าสีเขียวเห็นมันสีดําก็รู้มันสีดําแล้วก็จบไม่ต้องไปยุ่งอะไรไปมากกับนั้น มันไม่มีสาระประโยชน์อะไรทางด้านจิตใจแต่กลับจะมาทำให้เราหลงแล้วก็อาจจะเป็นบ้าไปได้จากความหลงของเราเนี่ยนะคำถามต่อไปจากยูทูบครับจากคุณพัดครับเวลานั่งทำสมาธิจนสงบเหมือนแยกจิตกับกายออกจากกันได้ดังที่พระอาจารย์ได้เทศให้ฟังแล้วจิตอื่นในวงเล็บหมายถึงจิตของสำเพอสีที่เขาอยากมีร่างกาย เขาจะมายุ่งกับกายเราได้ไหมคะไม่ได้หรอกกายใครกายมันจะไปจะไปเอากายของคนอื่นก็ตอนที่ยังไม่มีเจ้าของเช่นตอนที่พ่อแม่กําลังประสมพันธุ์กันอยู่เนี่ยอันนั้นใครเร็วก็เข้าไปก่อนก็ได้ก่อนใครช้าก็ไม่ได้มันกัไปซื้อของที่เขาขายรดราคาคนแย่งเข้าคิวกันยาวพอเปิดประตูก็ไปคว้ากันเลยพอคว้าไปแล้วก็เป็นของคนนั้นแล้วคนอื่นจะไปคว้าเอาไม่ได้นะ ร่างกายของเรานี่เป็นของเราไปจนกระทั่งมันตายจากเราไปคนอื่นจะเข้ามาสิงม า, าอะไรนี้ไม่ได้เช่นนั้นเนี่ยก็าจนั้นไดสามภเวสีนี่คือจิตตอนที่ตายแล้วก็ไปกําลังไปเกิดใช่ไหมครับคือคําว่าสามภเวสีก็คือจิตที่ยังไปเกิดอยู่คําว่าของคําว่าสามภเวสีแล้วทําไมก็คือยังยังมีความอยากที่จะไปเกิดอยูใช่ไอา้าวก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมมันก็ยังมีความอยาก มันก็ยังอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่แต่บางทีมันยังต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนเพราะบุญมันจะดึงไปให้เกิดเป็นเทพก่อนถ้าบาปมันก็จะดึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปก่อนะจนกว่าบุญกับบาปมันไม่มีกําลังจะดึงไปทางใดทางหนึ่งมันก็จะให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อจรยิตนีมันเลือกไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทําไว้ บุญบาปถ้าบุญมันมากกว่าบาปมันก็จะดึงเราไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปอบายแล้วพอบุญกับบาปเท่ากันมันก็จะปล่อยให้เรากลับมาเป็นมนุษย์ที่มนุษย์นี้มันก็เหมือนกับไปขับรถหาที่จอดรถน่ยโยมเวลาโยมจอดรถเนี่ยเลือกได้ไม่ว่าจะจอดตรงนี้ตรงนั้นก็แล้วแต่มันว่างตรงไหนก็เข้าไปใช่ไหมแต่ไม่ใช่ถ้าจางเลยถามบอกว่าแล้วแต่ว่าใครจะเข้าไปได้ก่อนใช่ก็ที่จอดรถก็เหมือนกันไง ใครได้เจอที่จอดรถก่อนก็ว่าขับมาใครเจอที่จอดรถก็เข้าไปเลยใช่ไหมพวกที่ยังไม่มีที่จอดรถก็วนหาที่ต่อไปก็เหมือนกันเวลามาเกิดเนี่ยพอมีที่ไหนเขากาลังผสมพันธ์กันก็ได้จังหวะก็ไปเข้าไปเลยเวลาเชื้อของพ่อเจายเชื้อของแม่มารวมกันพอมีสัมบเวสีมีดวงวิญญาณเข้ามาปั๊บมันก็เกิดจุติขึ้นมาเกิดการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา เนื้โอกาสที่จะได้ร่างกายมนุษย์บางทีมันมันมันยากพวกสัตว์พวกปลาพวกมแมลงนี่มันเกิดกันเป็นฝูงบางทียังไม่มีที่จอดรถของมนุษย์ก็ไปจอดที่ของมแมลงก่อน<ช>ไปเป็น<ช>มแมลงสาบก่อน <c oughs> ไปเป็นอะไรก่อนอาะจายไหมัศมีและสามประเทศชั้นนักนี้ค่ะที่เขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่จิตมันยังไงถึงมาเป็นมนุษย์ได้เลยคะก็เมื่อเขาหมดบาปของเขาไง ฮะไม่ได้หรอตัวใครตัวมันอัตตาเหตุอัตโนนาโทเรื่องการมาเกิดเรื่องการไปรับผลบุญผลบาปนี่มันเกิดจากการกระทำของแต่ละคนคำถามทางเฟ e b o o k Live จากคุณพัชราพรค่ะเราทำดีกับเขาตลอดแต่เขาเป็นคนโกรธบ่อยมากเป็นกรรมของเราหรือของเขาเจ้าคะอ๋อเราทำกรรมดีมันก็เป็นกรรมดีของเรา เขาทํากรรมไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีของเขากรรมใครกรรมมันคําถามจากคุณต้องค่ะความเข้าใจของโยมไม่เชื่อว่าวิธีกรรมต่างๆไม่ได้มีคําไม่ได้มีในคําสอนของพรุทธเจ้าและโยมไม่เชื่อเรื่องเครื่องรางของขังเพราะโยมคิดว่ามันไม่ใช่คําสอนของพรุทธเจ้าตอนแรกๆเพื่อนๆก็ขยันพยอแต่หลังๆเขาเลิกมาเซาซีโยมโยมคิดว่าโยมโยมทําถูกแล้วใช่ไหมคะใช่ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ให้ปฏิบัติดีคิดดีพูดดีทำดีให้เจริญทานสีงภาวนาอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่วิเศษที่สุดเครื่องรางของขั ง, งนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ที่มีกิเลสคิดกันขึ้นมาเองคิดคนกันขึ้นมาเองคำถามจากคุณต้องค่ะการติดความสงบในสมาธิก็คือการยึดติดใช่ไหมคะ แล้วเราจะมีวิธียังไงที่จะไม่ให้เรายึดจิตในความสงบนี้คะเพราะแม้แต่โยมเองก็ชอบเวลานั่งแล้วสงบมันเลยให้โยมมีความอยากจะทำไปอีกคือความสงบนี่มันเราต้องติดก่อนถ้าจิตเรายังไม่สงบเราก็ต้องทำให้มันสงบก่อนเมื่อมันสงบแล้วเราก็ต้องสลับมาทำทางปัญญาสลับกับความสงบเพราะว่า เรายังต้องอาศัยความสงบอยู่เพราะว่าความสงบนี้มันเป็นที่พักของจิตเวลาเราไปออกไปทางปัญญานี่เราต้องไปทํางานเราต้องใช้ความคิดพอใช้ความคิดแล้วจิตก็เหนื่อยจิตก็ต้องกลับมาเข้ามาสมาธิดังนั้นการที่เรายังต้องใช้สมาธิอยู่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราติดเหมือนกับเราที่ต้องกลับมาบ้านมาพักผ่อนหลับนอนมากินข้าว นี่ไม่ได้เรียกว่าติดใช่ไหมพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ออกไปทำงานต่อจะเรียกว่าติดก็ต่อเมื่อเราพอตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ออกไปทำงานขอขอนอนต่อขอกินข้าวขออยู่แต่บ้านถ้าอยู่แต่ในบ้านกินนอนอยู่อย่างเดียวไม่ไปทำงานทำการอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าติดถ้าเราเอาแต่สมาธิอย่างเดียวแล้วเราไม่ออกไปทางปัญญาเลยอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าติด แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราจะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่เรียกว่าติดเพราะเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีกําลังที่จะไปทํางานทางปัญญาได้ดังั้นเราต้องดูก่อนว่าเราติดสมาธิเพราะว่าเรายังไม่มีสมาธิหรือติดสมาธิเพราะว่าเรามีสมาธิแล้วเราไม่ไปทางปัญญาเนี่มันมันมันเป็นของที่เราจะต้องรู้จักแยกแยกออก บางคนบางคนยังไม่มีสมาธิเลยนั่งนั่งสมาธิได้ครั้งเดียวก็บอกโอ้ติดสมาธิแล้วต้องไปทางปัญญาแล้วแล้วไปทางปัญญาไปได้ต่อไปแล้วเกิดปัญญาไปฆ่ากิเลสได้ต่อถ้าไปได้ไปฆ่ากิเลสก็ก็ไปเลยถ้าไปแล้วกับฟุ้งซ่านก็กลับมาหาสมาธิต่อทุกครั้งที่ฟุ้งซ่านต้องกลับมาที่สมาธิมาหยุดความฟุ้งซ่านก่อนเพราะการพิจารณาแล้วฟุ้งซ่านนี้ไม่ใช่เป็นป um, MM. ัญญา การพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจิตต้องสงบจิตต้องปล่อยวางต้องปร่งได้ต้องหยุดตันหาหยุดกิเลสได้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถ้าไปทางปัญญาแล้วฟุ้งซ่านหรือเพ้อเจ้อนี่แสดงว่าไม่ใช่ปัญญาคำถามจากคุณพลค่ะพิธีกรรมเป็นของพวกพรามณฮินดูใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เน้นเรื่องของพิธีกรรมต่าง แต่พระสงฆ์ซึ่งไม่ใช่คาลาวาดก็มีประเพณีทางสงฆอยู่คือใจผมพยายามจะแยกแยะระหว่างพิธีกรรมทางสงฆ์และคาลาวาดให้ชัดเจนคิดอย่างนี้ผิดไหมครับเกิดพุทธศาสนาก็มีพิธีบ้างแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังแต่มันก็เหมาะกับคนที่ยังไม่สามารถเข้าสู่เนื้อหนังของศาสนาได้ก็เลยต้องมีพิธีกรรมให้เขาทํา เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าทําไปทําไมเช่นเวลาถวายสังฆทานก็มีพิธีกล่าวคําถวายสังฆทานเพื่อจะได้รู้ว่านี่เรากําลังทําอะไรเรากําลังนําข้าวของนี่มาถวายให้กับพระสงฆ์แล้วประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการถวายนี้ก็จะทําให้เราได้มีความสุขความเจริญได้บุญได้กุศลอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนประกอบ แต่ไม่ไม่สำคัญจะถวายสังฆทานโดยไม่ต้องมีการกล่าวก็ได้อย่างที่นี่มาถวายของก็ไม่ต้องกล่าวกันอยากจะถวายแล้วก็มาตั้งวางไว้เลยจบไม่ต้องมาตั้งหน้าโมสามจบแล้วก็มากล่าวนูน่นกล่าวนี่แต่พวกที่เขายังไม่ได้เข้าถึงการปฏิบัติเขาก็ยังไม่รู้ว่าการปฏิบัติเป็นยังไงก็เลยให้เขาปฏิบัติพิธีกรรมไปก่อนเพราะการกระทําพิธีกรรมมันก็ต้องมีสติเหมือนกัน ใช่จะตั้งน้ำโมได้ก็ต้องมีสติจะกล่าวคำถวายก็ต้องมีสติก็เลยเป็นการฝึกสำหรับพวกที่ยังไม่รู้อะไรเลยให้เขาได้รู้ขั้นตอนต่างๆไปก่อนของศาสนาก็เลยต้องมีพิธีกรรมพิธีบวชนี้ก็ต้องมีเป็นพธิธีไม่ใช่อยู่ทไมไยพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีพิธีก็อยากจะบวกนหัว น, นุ่งเหลืองหมเหลืองใบกาบพระพุทธเจ้า สามครั้งพระเจ้าว่าเออเมเป็นพระภิกษุกันจบแค่นี้แต่ต่อมามันมันเขาต้องการที่จะให้มันรัดกลุ่มให้มัน เ, ออเป็นเป็นกฎเป็นระเบียบขึ้นมาเขาก็เลยต้องตั้งกฎ ร, ระเบียบต่างๆขึ้นมาต้องตั้งพิธีขั้นตอนต่างๆของการจะมาเป็นพระภิกษุมันก็เลยต้องมีพิธีบ้างแต่ชอบมันมีพิธีกับเรื่องที่จาเป็นจาเป็นเท่านั้น ไอเรื่องที่ไม่จําเป็นนี่ก็ไม่ต้อง ม, มีพิธีอะไรกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่ทําพิธีว่าอยู่ในขั้นไหนถ้าอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วก็มักจะไม่ค่อยทําพิธีกันอย่างที่มาที่นี่เราถือว่าพวกเราเป็นขั้นปฏิบัติแล้วขั้นพิธีก็เลยตัดไปใช่ไมไม่มีการตั้งหน้าโมกาผ้าก่อนถ้าเป็นทั่วไปก่อนจะทํากิจกรรมอะไรก็ต้อง ตั้งน้โมกาพะจุดทูบเทียนก่อนให้ประทานมาจุดทูบเทียนแล้วก็กาพะสวดออะไรไปก่อนเสร็จแล้วถึงจะค่อยมาอาราธนาธรรมเอแล้วค่อยมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันก็เหมือนมวยมวยบางแห่งเขาก็มีไหว้ครูก่อนก่อจะโชกันนี้ต้องไหว้ครูก่อนแต่ถ้ามวยสากลนี้เขาไม่ไหว้ พอเขาตีละครังแก้งอักใส่กันเลยที่นี่ก็เหมือนหวยสาคนอ่ะพอมาถึงก็เทศเลยเอคุยอะไรมีอะไรถามก็ถามกันมาเลยเออไม่ต้องมาตั้งน้ําโมไม่ต้องมาอาราธนาไม่ต้องมาชุมนุมเทวดาเออนั่นเป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรต่างๆไม่รู้จะทําอะไรเขาก็เลยหาเรื่องให้ทําไปก่อนพ็จะมาให้นั่งทํา ปุ๊บปั๊บมันทำไม่เป็นก็เลยต้องโน้มน้าวจิตใจเขาให้เข้าสู่การกระทําต่างๆก่อนก็เลยต้องมีพิธีกรรมแตม่สมัยนี้มันกลับไปติดพิธีกรรมที่ว่าพิธีกรรมคือตัวเนื้อหนังของของธรรมมันก็เลยหนงทางกันพิธีกรรมนี้เป็นการดึงให้เข้าหาเนื้อเนื้อหนาเนื้อหนังของธรรม าบางคนนี่ไม่มีพิธีกรรมไม่รู้ว่าทำอยู่ตรงไหนต้องรอพิธีกรรมต้องรอชุมนุมเทวดาก่อนต้องรออาราธนาก่อนต้องลองต้องลองตั้งนโมก่อนอย่างเราจะเทศข้างล่างนี้ถ้าเราไม่ตั้งนโมคนมันยังคุยกันมันยังทําอะไรกันอยู่เราก็ต้องหาอุบายตั้งนโมขึ้นมาพอตั้งนโมปั๊บทุกคนหยุดเลยรู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นสัญญาณบอกว่าเริ่มมีพิธีกรรมแล้วนะทุกคนตั้งหยุดท่ าการกระทำต่างๆได้แล้วแต่วันนี้ไม่ต้องบอกเพราะทุกคนรู้ว่ามาถึงนี่ก็นั่งรอทำทาทาเลยนั่งรอฟังทำเลยก็ไม่มีใครคุยกันใช่ไหพอมาถึงก็เลยไม่ต้องมาตั้งน้ำโมมาอ阿าธนาทำกัน<ม>พอรู้แล้วว่าพอมาถึงก็เล่นกันใส่กันเลย<笑>พอหรือยังอ่ะปามาคาถามจากคุณนันทนาค่ะ โยมมีความรู้สึกไม่ค่อยผูกพันกับแม่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันแต่โยมรักและคุยรู้เรื่องกับพ่อแต่พ่อตายไปแล้วโยมรู้สึกเป็นทุกข์มากที่พ่อตายสมัยเด็กโยมรู้สึกว่าแม่รักแต่ลูกชายปัจจุบันโยมรู้สึกบาปที่ไม่ค่อยอยากคุยกับแม่โยมควร <c oughs> ทาอย่างไรดีคะที่จะไม่ให้เป็นคนเนรคุณเ อ, อ่าก็ต้องนึกถึงบุญคุณของแม่มากๆถ้าไม่มีแม่ น, นี่เราก็เกิดมาไม่ได้น เราต้องอาศัยท้องแม่อยู่ต้องเก้าเดือนแล้วต้องอาศัยเชื้อของแม่ผสมกับเชื้อของพ่อถึงจะมีร่างกายของเราขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจลิตนิสยัยใจคออาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรงกันอยู่ด้วยกันแล้วชอบทะเลาะกันยิ่มีความเห็นต่างกันก็อย่าให้ไอ้เรื่องเหล่านี้มาเป็นตัวที่ทําลายความสัมพันธ์อันดีวิธีจะแก้ก็คือต้องนึกถึงบุญคุณของแม่อยู่เรื่อยๆนึกถึง ความสําคัญของแม่ว่าที่เราเกิดมาได้นี้ก็พ่อแม่แล้วที่เราโตขึ้นมาไดา้ก็พ่อแม่ถ้าแม่ตั้งท้องแล้วแม่ไปทําแท้งแล้วเราก็จบแล้วใช่ไหมเราต้องนึกถึงบุญคุณเหล่านี้ของแม่ถึงแม้เขาจะไม่ชอบเราหรือมีนิสัยไม่ตรงกับเราอยู่ด้วยกันเราจะทะเลาะกันไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันก็อย่าไปให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเป็นประเด็นสําคัญ ให้มองประเด็นสําคัญที่ว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราถ้าแม่ไม่อุ้มท้องเก้าเดือนเราก็เกิดมาไม่ได้แล้วถ้าออกมาถ้าแม่ไม่เลี้ยงนมให้เราเราก็อยู่ไม่ได้อีกัน้นถ้าเรานึกถึงบุญคุณอันประเสริฐของแม่แล้วมันก็จะทําให้เราเห็นเรื่องที่เราไม่ถูกกับแม่นี่เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอยไปแล้วเราก็จะอยู่ใกล้แม่ได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดใจเราไม่ลึกถึงบุญคุณอันประเสริฐของแม่กันท่านเอค่าน้ํานมเนี่ย คิดถึงเพลงข้าน้ำนมลองไปฟังดูแล้วน้าตาจะไหลเคยฟังไหมสมัยนี้เขาไม่เอามาเปิดแล้วควรจะเปิดให้เด็กฟังกันเด็กจะได้รู้บุญคุณของแม่แลวเวลาแม่สอนหรือแม่โกรธจะได้ไม่ไปโกรธแม่เพราะแม่ก็ยังเป็นคนมีกิเลสมันเราอยู่บางทีก็มีอารมณ์ได้บางทีก็โกรธได้บางทีก็ตีเราได้ บางทีก็เกลียดเราได้เราก็เป็นคนมีเกเรตเหมือนแม่แต่เราต้องแยกแยกเรื่องของความเป็นคนกับเรื่องของความเป็นแม่คนเรานี้มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นคนยังมีกิเลตตันหาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนี่ก็เป็นฐานะนั้นเราต้องพยายามมองให้รอบครอบมองให้ครบอย่าไปมองส่วนที่เป็นคน แล้วจะทำให้เราลืมส่วนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไปแล้วเราก็จะทำให้เราเป็นคนอากตศันอยู่ขึ้นมาได้คำถามจากคุณต้องค่ะโยมคิดได้เหมือนถ้าเราตายไปแล้วแต่ใจติดผูกแต่ใจผูกติดกับวัดหรือถถานที่เราไปปฏิบตัติเราสามารถเกิดไปเป็นจิ้งจบหรือสัตว์ที่อาศัยในวัดได้ฟังพระสวดพระเพศเป็นไปได้ใช่ไหมคะฉะนั้น เราต้องฝึกสมาธิหรือรู้ทันจิตเราอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะก็พยายามต้องปล่อยวางอยู่เรื่อยๆต้องปล่อยวางด้วยปัญญาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างมีจบเมื่อถึงเวลาไปก็ไปเวลายังอยู่ก็อยู่ไปคือไม่ยึดไม่ติดไม่อยากไม่มีความอยากจะไปหรือไม่มีความอยากจะอยู่ถ้าต้องอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเมื่อถึงเวลาจะไปก็ไป ถึงเวลาไปก็อย่าไปอยากอยู่ถึงเวลาอยู่ก็อย่าอยากไปทำใจให้เป็นอุเบกขาไปแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรคำถามจากคุณเกศรค่ะมีคนเคยบอกกับหนูว่ายิ่งโกรธยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ปัญหา ย, ยิ่งรุมเรายิ่งต้องนั่งกรรมาฐานเพื่อดับนั้นอยากทราบว่าจะดับได้อย่างไรหรือเจ้าคะพระอาจารย์ ได้เพราะความทุกข์มันเกิดจากใจเราเองส่วนปัญหามันอยู่ข้างนอกเข้าใจไหมนะปัญหาอยู่ข้างนอกแต่ความทุกข์อยู่ในใจเราใจเราทุกข์เพราะเราไปเอาปัญหาเข้ามาในใจเราเราเอาปัญหาต่างๆมาคิดคิดแล้วก็เกิดความอยากจะแก้ปัญหาเหล่านั้นพอแก้ไม่ได้ก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าเรานั่งกรรมาฐานพุทโธพุทโธเราก็เหมือนกับ เราไม่ดึงเอาปัญหาเข้ามาในใจเราไม่คิดถึงปัญหาต่างๆพอเราไม่มีคิดถึงปัญหาใจเราก็ไม่มีความอยากจะให้ปัญหามันหายไปไม่มีความอยากที่จะแก้ปัญหาใจก็ไม่ทุกข์ใจก็สงบใจก็หายเครียดยาการนั่งนั่งนั่งสมาธินี่แก้ปัญหาทางใจไม่ได้แก้ปัญหาข้างนอกปัญหาข้างนอกก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าใจเราไม่ไป เป็นปัญหากับปัญหาเท่านั้นเองใจเราปล่อยวางปัญหาได้ชั่วคราวแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปคิดถึงงานที่คิดถึงปัญหาอกีกเราก็อาจจะเครียดขึ้นมาได้มาใหม่ก็ได้ถ้าเราอยากจะไม่เครียดอย่างถาวรเราก็ต้องปล่อยวางปัญหาว่าแก้ได้ก็แก่แกไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวเราตายก็จากมันปัญหามันก็หมดไปเองใช่ไหม เวลาคนตายนี่มีใครเอาปัญหาไปไปทวงกับคนตายที่หลงศพนะบอกให้ i, ยังเป็นเน่กูอยู่ไอ้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมพอตายนี่เจ้าของเจ้านี่ยกให้หมดเลยไม่ไปทวงเน่แล้วเพราะฉะนั <c oughs> ้นปัญหาต่างเดี๋ยวมันก็จบที่ความตายนี่แหละถ้าเรายังยังแก้ไม่ได้ก็รอให้มันแก้ตอนตายก็แล้วกันรับรองได้แก้ได้หมดมีหนี้สินเท่าไหร่ตาลุงพลังมีปัญหากับใครเดี๋ยวตายก็จบหมดปัญหาต่างๆก็จบหมด อันหนึ่งบอกให้จเจริญมา น, นุสติเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีปัญหาเป็นแต่คิดคิดถึงว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วปัญหาต่างๆมันก็หมดไปเองคําถามจากคุณต้องค่ะจิตเรามันไวมากการที่จะฝึกจิตให้เชื่องคือสมาธิใช่ไหมคะไม่ต้องสติต้องใช้สติยมว่าจิตโยอมฟุ้งดื้อมากคิดเยอะสงสัยเยอะอนี่คือฟุ้งซ่านหรือเขาเรียกสติแตกใช่ไหมคะอ่าไม่มีสติฮะ ต้องฝึกสติต้องพุโทโธพุโทโธแล้วใจมันก็จะไม่คิดฟุง้งซ่านแล้วมันก็จะสงบได้สตินี่สําคัญมากพุโทโธนี่สําคัญมากพยายามฝึกเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกจากเตียงก็พุโทโธไปก่อนนะแล้วรักษาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วลองได้ว่าจะไม่ฟุง้งซ่านคําถามจากคุณณพลค่ะเข้าใจว่า อยากมีแฟนกับอยากมีเพศสัมพันธ์มันคนละเรื่องเดียวกันเข้าใจอย่างนี้ผิดไหมครับมันก็มีแฟนก่อนมันจะได้มีเพศสัมพันธ์ได้ใช่ไงมถ้าไม่มีแฟนมันก็จะเป็นมีเพศสัมพันธ์ได้นอกจากไปเที่ยวโสเพณีหรือไปไปซื้อบริการนั้นมันถึงจะเด้มันก็มีเพศสัมพันธ์ได้แต่เรื่องทั้งเรื่องก็คือเรื่องของเพศสัมพันธ์นั่ะที่จะมีแฟนแล้วไม่มีแฟนหรือว่าจะไปซื้อบริการก็เพื่อที่จะได้มีเพศสัมพันธ์ เป็นสัมพันธ์ก็เกิดจากตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของคนนี่เองอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของคนนั่นคนนี้คำถามจากคุณกิตตกรค่ะได้ยินคำสอน <c oughs> จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวการจะลงมือทำอะไรอย่างสุดจิตสุดใจเราต้องเชื่อก่อนจิตเราถึงจะสั่งกายให้มีมานะพยายามไม่ล้มเลิกอยากถามพระอาจารย์ครับว่าเป้าหมายเล็กๆแรกคืออะไรครับ ที่จะเริ่มต้นปฏิบัติภาวนาให้ถึงสมาธิเพื่อเกิดความเชื่อสุดใจครับก็ต้องต้องเป้าหมายอยู่ที่การสร้างสติจเจริญสติต่อไปนี้ครับพเจ้าจะพุโทโธพอลืมตาขึ้นมาก็จะพุโทโธไปตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็จะพุโทโธพุโทโธไปท่องพุโทโธพุโทโธไปไม่ปล่อยให้ใจคิดด้วยเปลื่อยเหมือนเมื่อก่อนนี่ให้ควบคุมด้วยพุโทโธ จะหยุดคิดก็ต่อเมื่อต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดถ้าถ้าจะคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันก็จะไม่คิดจะให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็เวลานั่งแล้วก็ต้องนั่งสมาธินั่งนั่งหลับตานั่งเฉยเฉยพอนั่งหลับตานั่งเฉยเฉแล้วมีสติเดี๋ยวจิตก็จะสงบมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็จะใช้ปัญญาสอนสอนใจให้ปล่อยวางทุกอย่างได้ คำถามจากคุณมะลิค่ะถ้าความผูกพันกับสามีตรงที่ความดีไม่ใช่หน้าตากลาบขอคําแนะนําจะทําใจอย่างไรไม่ให้ผูกพันถ้าต้องจากกันค่ะก็คิดถึงความดีของเขาอยู่เรื่อยๆว่าความดีก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาร่างกายไม่ใช่ความดีถ้าเรารักความดีของเขาแล้วก็คิดเขาเวลาเขาตายไปแล้วว่าคิดถึงความดีของเขาว่าก็ยังไม่ได้จากเราไปที่สิ่งที่จากไปไม่ใช่ตัวเขา สิ่งที่เขายังอยู่กับเราก็คือความดีที่เขาได้สร้างไว้เราก็คิดถึงความดีของเขาไปก็ได้คำถามจากคุณวีระพง์ค่ะพระอาจารย์ครับตอนผมใส่บาดเร็บผมว่าจะไม่รับพรแต่พระบอกให้ผมนั่งลงแล้วพนมมือขึ้นจะให้พรผมควรจะทำอย่างไรครับก็ทำไปตามที่พระท่านบอกให้ทำก็แล้วกันเพื่อไม่เสียมารยาทันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราว ท่านก็แค่ว่าเป็นหน้าที่ของท่านพอใครให้อะไรแล้วต้องให้พรท่านก็แบบว่าไม่ได้ไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็เลยทําไปตามอาจจะไปอยู่กับคนที่ไม่รู้สอนให้ทําอย่างนี้<ม>เขาก็เลยต้องทําอย่างนี้กันไป<ม>แต่ความจริงแล้วพรนี่ไม่ต้องให้หรอกพอรมันเกิดจากการกระทําของเราอยู่แล้ว ม, มต่อท่าไม่ได้ทํานะต่อให้ผ้ามาให้พรทั้งวันมันก็ไม่ได้พรหรอกใช่ไหม ถ้าเราไม่ได้ทําบุญแล้วนีมนพระมาให้พรนี่มันจะได้ไ ด, ได้ได้พรหรือเปล่ามันไม่ได้หรอกพอรมันเกิดจากการทําบุญของเราเกิดจากการทําความดีของเราเมื่อเราทําความดีแล้วต่อให้พระมาให้หรือไม่ให้พรมันก็ได้พอรอยู่แล้วได้ผลจากการทําความดีอยู่แล้ว mm hmm. ยังการให้พรนี่มันมีการละเทศะ mm hmm. พระท่านถึงให้เวลาที่เหมาะสมเช่นมาวัดอย่างเนี้ยแล้วก็ทให้ทีเดียวพร้อมกัน ไม่ใช่คนหนึ่งถวายของตีก็ให้คนนึ่งเดี๋ยววันทั้งวันมานั่งให้พรกันเนี่ยถ้าเกิดญาติโยมขอพอรคนทีละคนนี่ตายไหยสวยกันทีละคนทีละคนเนี่ยกว่าจะเสร็จก็ไม่ต้องแสดงธรรมกันเฉั้นทุกอย่างการกระทํานี่มันต้องมีกาลเทศะมีความเหมาะสมมีเหตุมีผลแต่นี่ทําแบบไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเดินบินตบากครสายบาปปั๊ก็ต้องให้พรเนี่ยกว่าจะกลับถึงว่าดีไม่ดีลอยเพนไปแล้ว นี่ยิ่งเราเีนตบาทวันละร100้อยสองร้อยคนนี่จะเวลาให้ไหนมามาให้พรทุกคนยิ่งถ้าเป็นวันวันสำคัญสามสี่ร้อยคนเนี่ยวันมาฆ้าวันวิสาขะในคนใส่บาททีสามสี่ร้อยคนถ้ามาให้พรที่ละคนเนี่ยยันไ ง, งไม่ถึงวัน <laughs> คำถามจากคุณสิทิโชคค่ะตอนทำงาน ผมควบคุมสังขารความคิดปรงแต่งไม่ได้เลยครับพระอาจารย์สามารถทำทำได้เท่าที่นึกได้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องใช้เวลานานต้องใช้เวลานา น, านไหมครับจะบรรลุผล อ, อ๋อไม่นานหรอกถ้าเราเริ่มต้นสร้างสติตั้งแต่วันนี้หัดทำตลอดเวลาเอาช่วงที่เรายังไม่ไปทำงานเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาเตรียมตัวไปทำงา น, นี่กอาพุโทโธไปก่อน อาบน้ำไปก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโทไปรับประทานอาหารก็พุทธโทไปเดินทางไปทำงานถ้าเราไม่ต้องขับรถเองเราก็พุทโทพุทธโทไปเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยแล้วต่อไปมันก็จะควบคุมความคิดต่างๆได้ค <c oughs> าถามจากคุณรัดดาค่ะความเครียดสะสมทำให้เกิดความดันสูง อยากทำให้จิตขจัดความเครียดควรทาอย่างไรคะก็เนี่ยแหละต้องมาทําสมาธิต้องลืมเรื่องต่างๆที่ทําให้เราเครียดกันที่เราเครียดเพเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เครียดเช่นเครียดกับร่างกายของเราเครียดกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราหรือเครียดกับเรื่องการเงินการทองเครียดถึงลูกเครียดถึงสามีหรือภรรยาเนี่ยถ้าเรามาพุทโธพุทโธกันเราก็จะลืมเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไม่คิดถึงมัน พอเราไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆความเครียดมันก็จะหายไปคําถามจากคุณลือไทยค่ะบวชสามครั้งคือชายสามบวชใช่ไหมครับก็อย่างนั้นแหละบเวลาบวชทีก็ต้องเข้าบวชครั้งหนึ่งบวชสามครั้งมันก็ต้องเข้าบวชสามครั้งคําถามจากคุณนภพลค่ะสามบทหมายถึงเข้าบวชพุทธคิดอิจตลามใช่ไหมครับไม่แต่ละแต่บวชที่ไหนถ้าบวชพุทธก็ต้องเข้าบวชพุทธ ถ้าบวชคิดก็เข้าบวชคิดบวชคิดถ้าบวชอิสารามก็ไปเข้าบวชอิสารางคำถามจากคุณพลค่ะในครั้งพุทธสมัยมีพระอริยะที่ได้บวชเกินสามครั้งมีไหมครับไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ศึกษาดูส่วนใหญ่เข้าบวชแล้วไม่เสรกกันในสมัยพุทธกาล ม, มีมีสมัยเนี้ยที่บวชกันแล้วเสกกันเป็นว่าเล่น คำถามจากคุณแบทแมนค่ะศา ส, สนาพุทธคืออะไรครับคือการบวชนั่งสมาธิเดินจงเดินจงกรมใส่บาตสร้างบุญบริจาคมากๆหรืออะไรกันแน่ครับพ๋ อ, อพุทธศาสนาก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือการการศึกษาพระธรรมคำสอนการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอ น, อำำสอนและการบรรลุผลของการปฏิบัติ แล้วก็นำเอาผลที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุ น, นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งนี่คือเรื่องของพุทธศาสนาหมดหรือยังอีกสองสามอีกสองสามคำถามกันแล้วกันคำถามนะจากคุณกิจกรค่ะผมไม่ได้กำหนดลมหายใจพุทโธแต่ให้รู้อยู่ว่าตาเราไม่ได้หยุดทำงานเพียงมองทะลุปเปิดตาไม่ได้ ให้ตาหนักรู้ว่าตาเรากําลังมองตลอดเวลายอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือให้ดูที่ใจว่าเราคิดหรือเปล่าอย่าให้คิดทํางานอะไรก็ให้มีให้มีสติอยู่กับการทํางานเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดเพ้อเจอ้อเพื่อฝันอย่าไปคิดวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกสองคำถามหมดแล้วเหรอยังค่ะอีกสองคำถามมาแล้วกันคําถามจากคุณณพลค่ะ เหตุแห่งความอิดฉาทำให้เกิดความทุกข์เราจะเห็นเหตุแห่งความอิดฉาให้ชัดเจนและดับมันได้อย่างไรครับคือเราไม่ยอมไม่ยอมแพ้ผู้อื่นไงเราอยากจะชนะอยู่เรื่อยๆก็เลยทำให้เราอิดฉาครับเวลาที่เราแพ้เขาเราก็ต้องมองความจริงว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าเราจะไปชนะคนอื่นตลอดเวลามันย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะเราแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกันเราชนะคนที่เขามีความรู้ความสามารถน้อยกว่าเราแต่เราก็ต้องแพ้คนที่เขามีความรู้ความสามารถมากกว่าเราเป็นธรรมดาเอนถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่อิจฉาลิสยาเราจะยอมรับความจริงว่าคนเรามีความรู้ความสามารถต่างกันคนที่เขามีมากกว่าเราเขาย่อมเก่งกว่าเราเขาย่อมได้ดีกว่าเรา แต่คนที่เขามีน้อยกว่าเราเขาก็ย่อมได้น้อยกว่าเราเป็นธรรมดาเฉนั้นเราต้องอนุโมทนาคนที่เขาได้ดีกว่าเราแสดงว่าเขาขยันกว่าเราแล้วคนที่เขาได้น้อยกว่าเราก็ต้องสงสารเขาว่าเขาทำน้อยกว่าเราเขาถึงได้น้อยกว่าเราแล้วอย่างนี้เราก็จะไม่ไปทุกข์กับความความเด่นความดีของคนอื่นหรือความได้ของคนอื่น เราจะยอมรับว่ามันเป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตอมันเป็นเรื่องของของการกระทําของแต่ละบุคคลทํามากทําน้อยก็จะได้ผลมากผลน้อยไปหมดแล้วนะหรืมอมีขอแค่นี้ก่อนนะเอะพอสมควรนะ <laughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด